อ๋ต อ, อตรงนี้ก่อนเนะคือตรงนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องท่านกล่าวเรื่องของเวทนาในเวทนาจริงๆในรายละเอียดมีเยอะนุในพระไตรปิฎกในสังยุตตะนิกาสรสลายัตะนาวักจะกล่าวในเรื่องของเวทนาสังยุตในเยอะมากในรายละเอียดเนี่ยมันนั่งเรียนเวทนากันอย่างเดียวกับเขเยอะเลยนี่ก็มา ในในที่นี้ท่านได้ตัดตอนมาในสักกาปบรหาสูตรนาะในมาในทีคัณฑกายในมหาวัฏในทีคัณฑกายมหาวัฏสักกาปบรหาสูตรในท่านตรัดตอนเอาพุทธพจน์มานะในหน้าที่สิบเก้าอ่ะตั้งเป็นต้นอ่ะตั้งแต่มาตามดับนี้เป็นพุทธพจน์ในข้อที่สอง้ยห้าสิเ็ดนี่ยทาวสักกาก็ถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ปูนิรุกข์ก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าดําเนินปฏิบัต อันสมควรที่จะให้ถึงความดับส่วนแห่งสัญญาประกอบไปด้วยปปัญญาธรรมก็หมายความว่าเอ๊ิกษูจะปฏิบัติอย่างไรจะดับตัณหามนาัสิทธิได้พิกษุจะปฏิบัติอย่างไรภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาจาักปฏิบัติอย่างไรที่จะเป็นปัจจัยในการดับสักกายทิฏฐิโดตรงดตัวนี้เลยดับอัตตาทิฏฐิได้โดยไม่มีส่วนเหลือคือจะถอนตัณหามนาัสิทธิได้จะปฏิบัติอย่างไร นี่ถามข้อปฏิบัติเลยใช่ไหมท่านก็ยกเวทนาขึ้นกล่าวยกสมณทรมณฑ์โอเบขายกเวทนาขึ้นมากล่าวบอกปฏิบัติแบบนี้ดิรอบรู้เวทนาอย่างนี้ใครควรเวทนาอย่างนี้ในที่สุดจริงๆจะดับตัณหามนาทิฏฐิที่เป็นปปัญนจะทำทำนี้จะขยายวตาได้น่าสนใจไหมนะ่ะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนะท่านจะกล่าวลักษณะเนี่ยท่านพระพุทธญาวกาวแล้วบอกว่าคือท้าสกะถาม พราท้าสกาัดนี่ต้องการดับอะไรเท้าสกาัดต้องการดับโทมนัตในใจตอนนั้นเท้าสกาัดเป็นโทมนัตเรื่องอะไรอ่ะเท้าสกาัดเนี่ยนะเท้าสกาัดนั้นมีโทมนัตมากคือเท้าสกาัดเทวดาที่อยู่ในชั้นดาวดึงเกิดความเดือดร้อนใจสะดุ้งต่อมราณาภัยที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเพราะปุปปนิมิตที่เกิดขึ้น5ประการกับตนใช่ไหมเวลาเทวดาเท้าเธอเนี่ยน ะ, ะเ ท, าะเ ท, าทนะ้าเธอรู้สึกว่าอีกเจวันข้างหน้าเนี่ย ด้วยในวันของมนุษย์เท้าเธอจะต้องจุติจากสวรรค์เทวโลกไปเกิดในก็จะไปตกนรกเอาไว้งั้นเอถอะถท้าเธอก็กลัวต่อมรณภัยกลัวต่อมรณภัยมีอิสสาริษยาต่อผู้ที่จะมาครองตำแหน่งตัวเองเสียดายทิพยาสมบัติที่จะต้องตกไปเป็นของคนอื่นท้าสกาก็เดือดร้อนใจมากเอาสมมตินะเขาจะมาแทนตาแหน่งเราเนี่ยรู้สึกเป็นไงเนี่ยรู้สึกริษยาไม แล้วก็รู้สึกมัจฉริยะไหยอิสามัจฉริยะจะเกิดรุนแรงมากถ้าเขามีขา่ขาวแจ้งลงนาว่าอีกเจ็วันเขาจะปลอดจากต้มแน่เอาไหมละ่ะเอาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะปลดจากมนุษย์แล้วแล้วเขาจะมีคนมาแทนที่เราแล้วเขาจะคลองสมบัติที่เรามีอยู่ทั้งหมดเอาอิสานฤษยาจะโกรธเกิดไหมเกิดไม่เกิดเกิดเลยแหละไม่เกิดได้งไงเพราะสนามมนนั่นที่จีนยังอยู่มันก็กระตุ้นเลย บโอ้โหถมมนน่าเกิดเลยทำยังไงเนี่ยนะทำยังไงเราจะรักษาสมบัติได้ทำยังไงเราจะอยู่ในสถานะนี้เป็นต้นได้เนี่ยเดือดร้อนใจมากเท่าอากาเดือดร้อนใจมากนั้นที่พวกเราไม่เดือดร้อนใจบ้างเดือดร้อนใจแม้ว่าเรสถานะการเป็นมนุษย์มันจะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะต้องไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแว่นที่เราใสายย่ย่เยอะต่อไปจะเป็นของคนอื่นแล้วท้าที่เราใส่เยอะต่อไปคนอื่นก็จะมาคลองอะ่ะ ตึกหลังนี้ต่อไปคนอื่นก็จะมาเป็นประธานนะเอาเถมันไม่รู้สึกเดือดร้อนใจบ้างเลยตอนนี้เดือดร้อนใจนในนนในมั้ยใช่ไหมจริงๆแล้วมันจะหมดสถานะอยู่แล้วเท้าส ก, ก่าเนี่ยเกิดกับท่านจริงๆแต่พระเจ้าแสดงให้กับภิกษุภิกษุณีบาสก์บาสิก า, า, าทั้งหลายได้ได้ฟั ง, ลงและในปัจจุบันเนี่ยเราสูตรนี้มาเรียนเราต้องเจาะอัฏฐาตรงนี้ให้ชัดว่าสถานะที่เราอยู่กันตรงนี้มันจะหมดอยู่แล้วไม่รู้สึกโธมนานัตเหมือนเท้าส ก, ก่าบ้าง ท้าสกาณี่อยู่ไม่ได้ท้าสกาณี่โตมานัดมากไม่นั่งหลับๆอยู่เนี่ยไปโท ม, มานัดตรงจริงๆมันน่าจะเสื่อมใจบ้างใช่ไหโลกเราไม่จะเป็นโลกคนเดีดยวใช่ไหม ข, ของที่เราครองอยู่มันจะเป็นของคนอื่นหมดแล้วว่าท้าสกาณท่านบอกว่าท่านกลัวต่อมรณะภัยเพราะมีความอิสสาริษยา ต, ต่อตาแหน่งที่บุคคลอื่นจะมาปกครองแทนเสียดายที่พญาสมบัติที่ต้องตกไปเป็นของคนอื่น ธรรมดาเทวดาทั้งหลายในเมื่อนับเจ็ดวันเนี่ยในมนุษย์โลกจุติล่ะก็ย่อมปุโปนิมิตหประการก็เกิดขึ้นไงนมาลานิลายันติดอกไม้เครื่องประดับสําหรับแต่งเรื่องแต่ปฏิสันธิที่เคยสดชื่อ น, นั้นก็เกิดเทียวแล้ววัฏฐานี้กิริ ส, สันติก็คือว่าผ้าทิพย์ที่เป็นเครื่องประดับกระซ้าหมองกับเชหิเสเีเสธาเนี่ยนะมุนจันติอะไรไหลออกจากลักแล้เว <laughs> เหงื่อไหล ถ้า ต, ตอนนี้ไหลกี่รอบแล้วเราเนี่ยไหลหลายรอบแล้วเพราะอะไรเพราะอายุของมนุษย์เนี่ยน้อยมากถ้าไปเทียบกันกับเทวดาน่าจะไหลามาตั้งนานแล้วจะไม่ใช่ยอมเหนื่อยไปเธอสามสิบปีในโลกมนุษย์ถ้าจะมีอยู่ชีวิตอีกสามสิบปีนะยอมเหนื่อยไปเลยสามสิบปีดีกว่าไปทุกในนรกหนึ่งชั่วโมงทุกในนรกหนึ่งชั่วโมงนั้นน่ะเท่ากับ เป็นหลายๆ ล, ล้านปีในมนุษย์ฉะนั้นยอมเ้อยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะรักเพียรพยายามในการที่จะขจัดกิเลสในใจสามสิปีถ้ายู่สามสิบปียี่สิบปีหรือสิบปีหรือเหลือปหอปีเนี่ยเพียรพยายามให้เต็มที่ดีกว่าไปทุกในนรกหนึ่งชั่วโมงมันเจ็บปวดเท้าสกายท่านยังสะดุ้งสะเทือนใช่ไหมท่านบอกทนไม่ไหวแล้วเหงื่อไหลออกจากกระแล้แล้วเข้าใจยังโยม หรื อ, อยังสบายใจอยู่กาเยทิพนียังอกกรมติสรีะระก็เศ้าหมองยิ่งในยามปกตินะรูปร่างผิวพรรณวันณ้ของเทพเทวดาทั้งหลายก็เปล่งปังอย้่ฮะไม่มีวิปริตเช่นผมหงอกฟันหักหนังเหี่ยวตรงเนี้ยเขาไม่มีของเราเนี่ยโอ้ยนิมิตเต็มเต็มไปหมดแล้วนิมิตเต็มไปหมดแล้วก็เตือนจนเต็มหัวแล้วยังไม่คิดเนี่ย เขาเตือนจนไม่รู้จะเตืนอนยังไงแหละก็ในเทวดานี่เขาเตือนนิดเดียวแคนะ่นันโอ้ยสะดุงสะเตือนรอเนี่ยโอ้ยมือเตือนเตือนไงเต็มเลยนี่ไปยอมซะนี่จบเลยตอนนี้เสร็จเลยบางบางทีบอกไม่ยอมยอมอย่างนี้สวยดีเอ้าเป็นนั่นไงเคยเป็นไหมตอนนั้นยอมแม่แกผมขาวพอกลูกๆ ก, ก็บอกแม่ไว้เงี้ยสวยดีแม่ดีใจบอกไม่ไม่ยอมนะถามทําไมาลูกบอกว่าสวยดี จบแลยย้วงั้นเนี่ยข้อที่ห้าแล้วเทโฮเทวาสเสนนัสันถาติกกัวลกังวายไม่ยินดีในที่อยู่ของเราโอ้โอยู่ไม่ได้แล้วคือคยจริงๆอย่างเราเนี่ยนะถ้ามาพิจารณายาี่ครวกรกังวลกังวายจริงๆอยู่ไม่ได้ถ้าอาตมาเนี่ยนั่งอยู่บ้านไม่ได้จะต้องรีบไปศึกษารพระธรรมพุปตเจ้าจริงๆนะอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ไหวเลยนะเพราะเราคำนวณอายุที่มาและที่เหลือเหลือนิดเดียวใช่ไหมนั้นอนหลับกันได้ยังไงมาถาม ก็เป็นอาละวานอนไม่หลับหรอกถ้ายังไม่รู้ว่าทำให้มันแจ่มแย้งเนี่ยนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยนี่นอนหลับยังไงอ๋อใช่ไหมนอนก็ต้องสะดุ้งเพราะสถานานี้มันจะหมดอยู่แล้วมันจะหมดอยู่แล้วคิดบ่อยๆดิเราไปคิดทุกวันทุกวั น, วน Pierce, อุ้ยมันจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยสถานะตรงนี้เราจะไม่ได้อยู่เราจะไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้เราจะไมไ่อยู่ในสถานานี้แล้วคิดทุกวันเนี่ยว่าหลายๆรอบคิดๆๆๆคิดคิดคิดคิดอย่าง nào. คิดบ่อย นะนักกนรเงินโห อ, อยู่ไปไว้เดินเดินกลุ่มเลยใช่ไหมั้งแต่ร้อนรนนี่ไม่ค่อย ค, ยคิดกันเนี่ยวันๆก็สบายนั่งทำํำเงินเพลินๆไปวันอเดี๋ยววันเดียเด๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยววันเดียเด๋ยวเดือนเดี๋ยวปีใช่ไหมนี่เราไม่คิด ม, มุมนี้เราเคิดดูที่โอ้โหศีลได้เท่าไหร่สมาธิปัญญาได้เท่าไหร่ศรัทธาได้เท่าไหร่วิทยาสติสมาธิปัญญาได้เท่าไหร่สมาธิทธิสมาสังกาปาสมาวาจ า, าสมากรรมต่ายก็ยังเดินไม่คล่องเลยมันต้องตายแล้วใช่ไหม ไม่ไหวแล้วคิดถึงพระเจ้าแย่แล้วก็ใจกันน้อมเลยนี่ไม่คิดเลยอ่ะกลับไปก็ง่วงหลับลา บ, บากอยู่ใช่ไหมจากนั้นต้องต้องกะวลกว็วายแล้วต้องกวักวลก็วายแล้วเอาถารถ้าคิดอย่านี้จริงๆจะนอนหลับสนิทไหมโยงกลับไปคิดใหม่คิดใหม่ครับต่อไปโหตอเนี้แรงริบนะเขาลุกขึ้นฟังธรรมดีกว่าต้องรีบไกลกลรวแล้วใช่ไหมอยูไม่ไหวแล้วเอาสิชีวิตน่ะมันเหลือไม่กี่วันก็จะทิ้งสาถานะนนี้อยู่แล้ว ไอ้ที่เราบอกรถเรามันจะไม่เป็นของเรานี่บ้านเราจะไม่ใช่ของเราเนี่ยนี่ทรัพย์สมบัติเรามันจะไม่ใช่ของเรามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้อยู่กันอยู่แล้วมันจะไม่ได้ยึดถือกันอยู่แล้วแล้วคนก็ร่วงกันเวลาแแบบแล้วแบบว่าไปงานศพก็เฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนีไงเออคนนี้ไม่น่าตายแล้วเลยเนาะว่างั้นอายุน้อยกว่าเราตั้งเยอะออกไปซะงี้เออแปลกประหลาดมากมนุษย์ไม่มีใครประมาทเท่ากับมนุษย์เลยเนาะมนุษย์ดีประมาทจริงๆเอาในกลุ่มเรียนประธรรมนยไม่ใช่กลุ่มไม่เรียนนะ ไอ้กลุมไมเรียนก็เพราะว่าใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ไอเราเรียนเพราะทำเรารู้แล้วบ้างเนี่ยรู้แล้วไม่ยามเราข้อมูลนี้ไปใข้ควนบ่อยๆเอาใข้ควนบ่อยๆที่ทุกวนันทุกวนันเจอหน้ากันก็ถามว่าใกล้ตายแล้วนะติดถามกันบ่อยๆเห็นหน้ากันก็มองหน่อยดูเซี่ยงเซี่ยงเซียวๆสายไกลแล้วลมั่งเนี่ยถามมัยังสะดุ้งสะดือนี่ใกลถตายกันอย่างเนี้ยเจอหน้ากันก็ถา ม, ถามทักกันบ่อยเย็นสะดุ้งบางใช่ไหมตรงนี้ก็คือว่าปกภาริมิตต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะเนาะ เทวดารู้ในตอนที่เทวดามีปัญญาเฉลียวฉลาดก็จะรู้ได้นะเหมือนกับพวกมนุษย์นั่นแหละเมื่อมีเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเอาศัยบุญญาที่การอะไรต่างๆเกิ้เท้าสก่าก็เป็นผู้มีปัญญาฉะนั้นปุพานิมิตต่างๆเกิดขึ้นจะเท้าเธอเท้าเธอสามารถที่จะรู้เมื่อไม่สามารถระงับความเดือดร้อนหรือโทมานะที่เกิดขึ้นได้ก็ลงจากดาวดึงเพราะในหมู่เทพที่เปรี้าพระพุทธเจ้านั่นแหละดังที่ได้เล่ามาจากจากมุมเดิมจากทีแรกนั่น พุทธเจ้าก็ตรัสดังที่ได้บอกนะพุทธเจ้าก็ตรัสบอกบอกว่าอิสาและลิษยาเป็นต้นเหล่านี้แ ท, ท้จริงครอบงมใจของเท้าเธอตลอดเวลาพวกนั้นนะ่คือสภาพของอิสาเนี่ยนะมีความเป็นไปตรงเงินข้ามกับมุทิตาซึ่งเป็นสภาพที่ยินดีพอใจในความดีของบุคคลอื่นฉะนั้นผู้ใดมีอิสาสังโยชนเกิดขึ้นเป็นประจาแล้วอิศาสังโยชนก็จะําให้เกิดว่านั้นเนะ่ ติดแน่นอยู่ในภพต่างๆและในส่วนจริงอิสาสังโยชนเนี่ยก็จะดึงสัต์เหล่านั้นให้ลดต่ําลงมาในปัจจุบันภพก็ทําให้เกิดแตกสามัคคีในระหว่างหมู่คณะนะนี่เป็นสังโยชน์เครื่องผูกมัดสัตว์ให้ตกอยู่ในความลําบากและความเดือดร้อนคนที่มีอิสามากก็ก็เดือดร้อนมากส่วนการมีการหวงแห น, นทรัพย์สม บ, บัติและคุณความดีของตนนะไม่ต้องการที่จะเผือแผ่ให้กับใครเรียกเยกมัชชริยะ ตัวมัจฉริยะเนี่ยนะมีความเป็นไปนตรงกันข้ามกับจาคะคือการสลัคนมีมัจฉริยะมากไม่ปรารถนาจะให้กล้องหวงเห็นเป็นสภาพที่ห่วงเห็นจาคะไม่ ห, ห่วงแหนใช่ไหมผู้ใดมีมัจฉริยะสังโยชน์มากประจํานะในในในกระแสะขันธาตุมัจฉริยะสังโยชน์จะทําให้ผู้นั้นได้รับผลก็คือในภพต่อๆไปอ่ะจะไม่มีคนยกย่องสรรเสริญแล้วก็จะขาดผู้อุปการแล้วสําหรับในปัจจุบันนะภพก็ทําให้เสื่อมจากอะไร เสื่อมจากลาบยศสุขสรรเสริญเสื่อมจากบริวารอันนั้นเป็นมัจฉริยาสัมโยชที่ผูกมัดทําให้สัตว์นั้นลําบากแล้วก็เดือดร้อนใจทีนี้สมเด็จพระพุทธพระพุทธองค์ก็ตั้งปัญหาแก่เท้าส ก, ก่าบอกว่าถ้าเท้าเธอมีความชื่นชลสมานัททูลถามบอกว่าบัดนี้ข้าพระองค์ได้มีความสว่างในความสงสัยปัญหาแล้วแต่ข้าพระองค์อยากจะถามต่อไปว่าอิสามัจฉริยามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยก็ไล่ไปตามลำดับหนึ่งที่ได้กล่าวเนาะ แล้วก็ไล่ไปตามลำดับในรายละเอียด ก, ก็ไม่ต่อแล้วจนมาถึงเวทนาดังที่ได้กล่าวนี่แหละในส่วนของเวทนาหนังสือไม่กล้าเปิดเลยทีนี้เวทนาเนี่ยจะต้องท่านก็กล่าวเข้าไว้ในส่วนของเวทนาเนี่ยนะสมณสเวทนามีสองส่วนที่ควรเสพและไม่ควรเสพโทมนสเวทนาก็สองส่วนที่ควรเสพและไม่ควรเสพแล้วเวขาวเวทนาก็มีอยู่สองส่วนควรเสพและไม่ควรเสพเนี่ยนะก็ไปแบ่งดิ แบ่งแบบเนี้ยอย่างละสองอย่างละสองเพราะอะไรเพราะว่าเท้าสกาเท้าเธอเนี่ยถามตามพระเจ้าว่าเ อ, อจะทํำยังไงภิกษุจะปฏิบัติอย่างไรภิกษถ้าบอกภิกษุนี้ท่านยกภิกษุเป็นประธานก็ไว้นะบางท่านชอบอ่านตรงนี้แล้วไม่ไม่นึกถึงตัวเองเพราท่านสอนท่าใม่สอนเรา <laughs> ท้าสกาถามเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็บอกถึงภิกษุทำไมท้าสกาเข้าใจว่าสอนท่านเท้าสกาันรลุได้ เราไม่ค่อยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้นะเข้าใจใช่ไหมเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนี่พระเจ้าสอนเราเนี่สอนกำลังสอนเราอยู่เนี่ยถ้าเราชื่ออะไรก็สอนคนนั้นแหละ <g ül> ก็อ่านพระไตรปิดกก็อ่านนี่มันชัดแล้วมันจะได้เข้าใจเนาะวิธีเจาะเข้าถึงคําสอนพระพุทธเจ้าถ้าลองอ่านเพื่อคนอื่นที่อ่านพระบอกว่าข้าแต่พระองค์พวกนี้ละทุกโอ้หพยพยามชนะเพาะดีแล้วเกินเอ้าเห็นเห็นทุกไหม ภิกษุปฏิบัติอย่างไรเก็สอนภิกษุไม่ได้สอนเราอย่างเงี้ยจึงจะชื่อว่าดําเนินปฏิบัติทาสมควรใช่ไหมเราก็นึกถึงคนอื่นหมดเลยและไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาตัวเองบางทีมานั่งฟังฟังาท่านพูดได้แต่เราจะปฏิบัติอย่างนั้นได้ยังไงที่มาเพราท่านบวชอยู่ท่านก็ได้บ้างแต่เราไม่ได้บวชอย่างนั้นก็คิดอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้พระโสดาบันที่เป็นฆราวาสจะมีไหย ถ้าอย่างนั้นในสาวถีไม่มีห้าโกด์พนระดิยาท่านไม่ได้คิดอย่างนี้ท่านคิดขัดเกลากันจริงๆฟังพบถึงขัดเกลว์ได้เลยพระดิย า, าดูก่อนจอมเทพอัตมาเขากล่าวว่าโสมนัสมีสองอย่างเนาะควรเสพไม่ควรเสพโทมนัสก็มีสองส่วนก็คือควรเส พ, เสสเสพและไม่ควรเสพอุเบกขาก็สองส่วนควรเสพและไม่ควรเสพทีนี้ก็บอกว่าดูก่อนเท้าจกักรจอมเทพอัตมาภาพกล่าวว่า สมนัตแยกเป็นสองส่วนที่ควรเสพและไม่ควรเสพนี่นะถามว่าอาศัยอะไรกล่าวบุคคลทราบว่าสมนัตอันใดเมื่อเราเสพสมนัตนั้นแล้วอคติสุธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมสมนัตนั้นไม่ควรเสพบุคคลพึงทราบว่าสมนัตอันใดเมื่อเราเสพแล้วอคติสุธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญขึ้นสมนัตนั้นควรเสพในสมนัสองอย่างนี้เท่าสมนัตใด มีวิตกมีวิจารณ์อันใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์อย่างนั้นสมณที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารประณดี๋กว่าดูก่อนจอมเทพอธรรมภาพก้าวกล่าวถึงสมณทสองอย่างที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีฉะนั้นที่กล่าวสมณทิตรงนี้กล่าวพ่อสายข้อนี้ตรงนี้ก็ต้องมาทําความเข้าใจนะทําความเข้าใจในส่วนของอัตถาท่านแยกเขาไว้อัตถาท่านแยกในทางด้านการสมณที่ไม่ควรเสพก็าแบเคหะสิตะ แปลว่าล้ว เ, เหะสิตาเนี่ยไม่พึงเสพสมมาัตเห็นตา น, นี้คือไม่พึงเสพสมมานัตที่อาศัยเรือนสมมานัตที่อาศัยเรือนได้แก่สมมาัตที่อาศัยกามคุณอันเป็นไปในทวันทั้งหกเขาเรียกว่าฉะเคหะสิตานี้สมมานัตสานี้คือสมมาัตที่อาศัยเรือนมีอยู่หกอย่างเป็นขไหนเมื่อบุคคลพิจารณาเห็น การได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แย้งด้วยเดินตาที่น่ารักน่าไข่น่าพอใจน่าชื่นใจที่เป็นไปกระเหยื่อของโลกโดยความได้เฉพาะปัจจุบันนะหรือตามลึกถึงรูปที่เคยได้เฉพาะที่ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปวนไปแล้วในอดีตจึงเกิดสมนัติสมนัตเห็นป่า น, นี้เรียกว่าสมนัตที่อาศัยเคหสิตะดังนี้เป็นต้นสรุปท่านกล่าวสองส่วน สมณะที่เป็นไปในปัจจุบันกับสมณะที่เป็นไปในอดีตสรุปก็คือการระลึกถึงสมณะที่เป็นไปในอดีตเนี่ยถามว่าแปลกนะมนุษย์เราเนี่ยในปัจจุบันที่เรามาพิจารณาดูเนาะถ้าคิดถึงตอนอดีตเนี่ยตอนที่เรามีรูปเบตนาสัญญาสังขารวิยาณที่คร่องแคล่วกว่าเนี้ยพอคิดถึงไปแล้วตอนนั้นสมณะเกิดตั้หาเกินเนะาะแม้แต่เราลูอย่างนี้เรามาเรียนว่าทําตอนที่อายุสิบแปดสิบเก้าพอดีไปแล้ว สอมนัดเสมมนัดถ้าเรียนถ้าคิดอย่างนี้สอบมนัดเนาะแต่ถ้าคิดให้เกิดสมมนัดก็คิดยังไงโอ้สนุกเหลือเกินสมัยที่เราเรียนหนังสือตอนนั้นโอ้เรามีเพื่อนสนุกสนานกับเพื่อนไหมยลยองตีเราไปเที่ยวสนุกสนานในต่างๆ่าแล้วเนี้ยนะบางครั้งเป็นไปในปัจจุบันก็เนี่ยพออารมณ์ที่มาปรากฏทํำทวารตาหูจมูกริ้งกายและใจเบเตอร์เหล่านี้นะกะก็ความยึดติดในการมงคณก็เกิดสมมานัดตรงนี้ท่านพูดถึงโลภะ สมณสเวทนามันเกิดขึ้นน่ยมันอาศัยเรือนเป็นอย่างเนี้แท้ที่จริงเพราะขาดอะไรรู้ไหมขาดการเจริญวิปัสนาที่จะเข้าไปรู้ดำความเป็นจริงของของการเห็นใช่ไหแต่ความสําคัญว่าเราเป็นผู้เห็นเบตเตอร์เหล่านี้ยก็เกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินเกิดสุขสมณ ท, ที่ที่อาศัยธรรม ท, ทานตาวิาุยจมูกเล่นใจาใช่ไหมใช่ถามว่ากรณีในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยชีวิตที่เราอยู่ก็สบายดีเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยสมณัณอาศัยเรือน แล้วอย่าไปสำคัญาสมนะอาศัยเรือนนี่เป็นกุศลนะอาตมาบอกว่าอาบน้ำเย็นๆแล้วชื่นใจเป็นกุศลไหมกินข้าวอร่อยอร่อยแล้วชื่นใจไไหมไมได้เห็นสิ่งที่งามๆก็ดีใจเป็นต้นคิดนึกเรื่องกรรมคุณต่งตางๆก็ก็มีความสุขดีก็สบายดีก็เพลิดเพลินดีไม่เห็นมีทุกข์เลยเดือนร้อนดีปนไปดีปไดปเลย ที่จริงสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกถต้องสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยนะได้ยินเป็นต้นแล้วเนี่ยนะมันมาจากอดีตเหตุใช่ไหมแสดงว่าอดีตกรรมมีทํามาดีพอสมควรเนาะได้เห็นดีได้ยินได้กลิ่ น, ล, นลิ้มรสสัมผัสแล้วคิดนึกเรอารมณ์ต่างๆที่ดีๆในปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าอดีตเหตุแล้วปัจจุบันผลก็รับผลดีทีนี้พอรับผลดีๆพอเกิดสุขโสมานัตขึ้นมาโสมานัตที่เกิดขึ้นในชาวนะ ที่เป็นโลฮะถามว่าตอนนี้สร้างปัจจุบันในเหตุหรืยังปัจจุบันในเหตุเกิดแล้วเป็นกุศลกรรมเรือ่องกุศลกรรมเห็นไหมเอากุศล ก, ก, กรรมสร้างแล้ว ท, ทั้งทั้งที่การได้ยินได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสถูกต้องคิดนึกเรื่องราวที่มันดีๆมาเกิดขึ้นในเราเอานี้การได้เห็นพระพุทธเจ้าการได้ฟังธรรม การได้อยู่ในบรรยากาศคามธรรมในลักษณะนี้นี่เป็นกุศล่อง佛ใช่ไหมโอ้เราชื่นใจเหลือเกินที่เป็นตนาที่ไม่ใช่ไม่เราดีใจนะโอยเราได้ฟังธรรมเรามีความสุขเหลือเกินไม่ต้องไปนั่งทุกทรมานมาเรียนอย่างนี้ทางบ้านเขาก็เข้าใจว่าเรามาเรียนธรรมะวุ้ยสบายใจเราหลอกคนได้เลยโซเน่เนี่ยบางคนเรียนธรรมะแบบมีเงื่อนไขเคยเคยเจอไหมไม่เคยเจอเลยเอามาเรียนธรรมะเพื่อให้คนเห็นเขามองว่าเราเป็นคนดีไง ก็บางคนมียอะแย่เนะใช่ไหมใช่มาศึกษาวัฒน์เนี่ยคือไม่ได้คิดพ้นทุกหรอกคิดมาฟังแล้วเอิมเป็นบรรยากาศที่ดีกว่าบรรยากาศที่เคยไปบรรยากาศเป็นสบายใจดีอ่ะมาตรงนี้คนไม่ใคยขัดแย้งกันด้วยเป็นบรากาศกุศลด้วยแล้วเราก็ไม่ได้คิดพ้นทุกอะไรหรอกมันเปนเพลินเลยวันนี้ได้พักด้วยมีปามานั่งปูในฟังสบายใจนั่งเล่นๆมันเพลินไปเป็นโสดมานานไหมถ้าอย่างนี้เป็นโสดมานานอาศัยเรือน มันไม่ได้มันไม่ได้ใสเน่ฆมาะนะแบบนี้ใช่ไหมใช่ทั้งทังที่เหมือนไปเป็นกับกุศลเลยนะแต่มันยึดผิดทั้นี้แต่ น, นี้พูดให้ฟังแต่โดยส่วนมากเราก็ดํำลี่ได้แต่ตรงนี้ท่านบอกว่าโสมนัสเนี่ยนะในกรณีที่บอกว่าเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาที่น่ารักน่าไขา้น่าพอใจน่าเชื่นใจที่เกี่ยวขเหยี่อของโลกนะที่เป็นไปในปัจจุบันเนี่ยนะหรือระลึกถึงอดีต ที่ร่วงมาแล้วดับไปแล้วกับความแปรปรวนต่างๆเหล่านั้นดับไปแล้วก็เกิดสมณัสอย่างนี้ก็เรียกสมณัสอาศัยเรือนก็เรียกเทหศิตาเนี่ยเป็นต้นทางเทวานตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเลยตรงนี้ท่านก็หยิบยกเพื่อให้เรามาวิจัยมาพิจารณามาใคร่ควรดูว่าไอ้ตัวโสมนัสใช่เวทนาไหมยสมนัสนี่เป็นเวทนาใช่ไหมเป็นเวทนาขันแล้วเป็นเวทนาที่เรากำลังจะมาวิจัยเนี่ย เวทนาเ็เกิดร่วมกับตัณหาทีนี้เวทนาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อไปพิจารณาเบียร็จเนี่ยต่อมาเราก็ไปยินดีตัวเวทนาเนี่ยพอไปสําคัญส้อมคัญผิดยังไงบอกว่าเกิดสมนัตขึ้นสมณัติเห็นปานนี้เขาเรียกว่าสมนัี่อาศัยกิหาสิตาอาศัยเรือนเนี่ยอาศัยเรือนก็คืออาศัยตัณหาอาศัยมานาอาศัยทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ที่กําลังดําเนินไปกับสมนัติกระสุนสมนัติเขาเรียกว่าคิดอดีตก็เพลิดเพลินโหยหานะ โอยหาบอกโอ้โหแต่ก่อนเราได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้เป็นต้นและแม้ในปัจจุบันที่เป็นไปอยู่ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็เกิดสมมานัทนั้นสมมานัที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสมมานัที่เป็นไปกับการอาศัยกรรมาคุณเป็นนไปฉะนั้นสมมานัที่เป็นไปกับกามคุณที่เป็นไปเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ความที่ไม่เห็นความจริงของของเวทนานะแท้ที่จริงตัวเวทนาเนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์ไหม เขาใพิจารณาเวทนาไหมสุขเวทนาพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ใช่ไหมเห็นให้เห็นเป็นะทุกเวทนาเหมือนลูกสอนเบขาเวทนาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเอาทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะทําไมพระองค์จึงสอนให้เห็นสุขเวทนาสมณสเวทนาหเห็นด้วยความเป็นทุกข์ท่านต้องการให้เพราะว่าถ้าไม่สามารถพิจารณาสมนัทให้เป็นให้เห็นด้วยความเป็นทุกข์ได้มันถ่ายถอนตัณหาไม่ไ่้ ให้สังเกตดูนะว่าตัณหาเนี่ยจะละได้ด้วยการเห็นทุกขทุกขาโนุปัตนาต้องเกิดถึงจะสามารถถ่ายถอนตัณหาได้เพราะตัณหาเนี่ยมันไปยินดีอะไรมันงามก็เห็นว่าสุขใช่ไหมเห็นว่างามเห็นว่าดีก็เห็นว่าสุขอ่ไอตัวตัณหาเนี่ยมันเห็นสองส่วนนี่แหละทีนี้ถ้าหากว่าทุกขขาโนบัสตนาปัญญาที่วิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกเอ๊ะมันจะเห็นได้ยังไงเอ้าทั้งทั้ที่โสมนัตเกิดขึ้นแต่ทําไมสอนนี้ให้เห็นด้วยความบิดทุก ถ้าทำไมไปเห็นด้วยความไม่ทุกข์ถามว่าตัณหาเวลาตัณหาเกิดขึ้นตัณหาเป็นอะไรเป็นสมุทัยหรือเปล่าสมุทัยเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมถามว่าไอตัวตัณหานี่เป็นโรงงานผลิตทุกข์ใช่ไหมเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกข์ใช่ไหมตาหูจมูกเล่นกายใจที่เรามาแบบมัต้องบริบีหารมันต้องทรมานกันอยู่เนี่ยใช่ตัณหาเป็นผู้ผลิตใช่ไหม ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดู ก, ก, ดกทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่เราได้มาเนี่ยตันหาทั้งนั้นฉะนั้นสมมัะที่เป็นไปกับตันหามันไม่ได้ดีอะไรเลยมันหลอกเรามาตลอดอย่างนี้ก็เรียกว่าสมมัะที่มันอาศัยเรือนแท้จริงมันเป็นความทุกนั่นแหละสัตว์โลกไม่เข้าใจเพราะตอนนั้นดูมันเหมือนมีรสอร่อยถ้านึ่งอุบมาเหมือนกับยาพิษที่มันมันเจือด้วยอะไรน้ำผึ้งอ่ะใช่ไหมหรืออีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าอะไรนะใช้ลิ้นของตนเองเนี่ย เลียปลายค ม, คมคมคมไม่โกนแต่มันมีน้ําผึ้งติดอยู่อ้าวมีน้ําผึ้งติดอยู่กับไปลายไม่โกนแล้วก็ใช้ลิ้นเลียเลียทุกครั้งลิ้นขาดทุกครั้งไหมนั้นสมนัตเกิดขึ้นให้ให้เห็นอย่างนั้นน่ะให้เห็นแบบนั้นน่ะให้เห็นเหมือนกับเราใช้ลิ้นกําลังเลียไม่โกนน่ะไม่โกนที่อาบน้ําผึ้งอ่ะคมไม่โกนที่อาบน้ําผึ้งเลียแคบนึงก็ขาดแคบหนึ่ง นั่นแหละคือตัณหาเกิดเมื่อไรก็คือทุกข์แน่นอนสมณัตที่เป็นไปกับตัณหาเมื่อไรทุกข์ชาติทุกข์เจาทุกข์เจ็บปวดแน่นอนในสังสารวัตรมันต้องผลิตตาให้แน่ผลิตหูจมูกเล่นกายใจให้แน่แล้วที่มันเป็นไปกับโลภะนี่มันเป็นเกิดเป็นเปรตโดยส่วนใหญ่นะเอาสิตัณหาสมณทิติเนี่ยอบายทุกขติวิบัติมันลบมันเตรียมรอให้หมดเสร็จแล้วเราไม่เห็นเองเลยมันก็ดื่มน้ำผึ้งไหมเจือด้ยาพิษโอ้ยอร่อยจังอร่อยจังก็ดื่มไปสิ ที่สุดตายไหมตอนนี้เหมือนกันตัณหาโสมนัสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทําไมไม่เห็นโทษอย่างเนี้ไม่ควรเสพเพราะอะไรเพราะเสพตัณหาเ อ, อเสพโลภภาพแบบนี้เสพโสมนัสแบบนี้แล้วอะไรจะเจริญราค่าจเจริญไหมโทสะเจริญโมหะเจริญตัณหาโสมนะที่ตีก็จเจริญบาปอากุศลธรรมมันลามโม ก, ก็จะเจริญตามมาด้วยใช่ไหมจ๊าฉะนั้น ถ้าเกิดโลภะอาศัยเรือนเมื่อไรหร่เกิดโส ม, โสมนัสอาศัยเรือนอาศัยอาศัยกรรมาคุณเมื่อไหร่ก็ให้เห็นแบบเนี้ว่าเนี่ยตายแล้ววิบัติแล้วให้เข้าใจอย่างนั้นนะกินอาหารอร่อยปุ๊บมันหนีคํา น, นี้วิบัติเนี่ยคิดได<ม>้ไหมเราจะวิบัติเพื่อให้กับอาหารที่อร่อยครับนี่แหละทําได้ไหมทําได้ไม่อยอมแบบนี้ละเอียดขนาดนี้ได้ไหมเมื่อเช้าพระพระท่านก็บอก จะว่าเวลาเห็นเด็กน่ารักแล้วก็ไปจับแกม่าอุ้ยน่ารักน่าฉ่ำสมมติพระนะถ้าทระเนี่ ย, ยไปเจอเด็กผู้หญิงก็ไปจับเนียแล้วก็ไปเกิดกำหนัดยินดีตายเลยอาบัตหนักเลยนะเอาเป็นผู้ชายนะไปจับครบเกิดตันหาเอาเป็นอาบัตอีกทั้งอึนทั้งรองเลยมั้งเอาทำไมเป็นอย่างนั้นท่านปอ้องกันผิดเป็นอาบัตนะคือกฎหมายผิดศีลท่านเนะี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าตันหาหยาบสมนัตอย่างหยาบและเวลาได้โดยศีล ละได้ด้วยศีลโยอันนี้เหมือนการกรณีแบบเนี้ยละได้โดยอินทรีย์สังวรแค่นั้นเ น, น, น, นเนี่ยตรงเนี้ยอินทรีย์สังวรเนี่ยละละได้ด้วยศีลเนี่ยสติที่เป็นอินทรีย์สังวรจะละตันหาแบบนี้ได้ที่ความยินดีในทางทวารตาหูหมือลิ้นกายใเนี่ยตัวสติจะเป็นตัวกัน้นตัววิปัสสนาปัญญาก็จะละแบบตะทางข้าพอาหารมากปัญญาก็ละโดยสมุจเท่าใช่ไหมโดยโดยสูตรเป็นแบบเนี้ยที่นี้เราขาดการวิจัย จ ร, จริงๆค่ะการวิจัยเราเลยไม่เห็นโทษเพราะอ้ตัณหาไอ้สมนัสาสายเรือนเนี่ยเอาสมมติว่ามีคนโทรกรีงมาบอกว่าเออเอนเนี่ยบอกว่าที่คุณไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนี่ยผลมากอดถูกซะแล้วโสมนัสไหอย่างนี้ก็เรียกโสมนัสาสายเรือนนี่หยาบมากเลยเพราตัณหาเกิดขึ้นมางี้ปุ๊บแล้วเราจะคิดยังไงวิบัติแน่คิดงี้ได้ไหมโสมนัาสาเกิดขึ้นจะวิบัติแน่ วางใจายากใช่ไหมคิดยากมากใช่ไหมถ้าบอกว่าอาถึงเวลาเลิกแล้วโส ม, มานั้นไหมโส ม, มนั้นเกิดเลยไหมชื่นใจเลยไหมโอ้ทาไมเราความคิดทําไมตันใช่ไหมโส ม, มนด้นไหมอาศัยกรรมภุ้หนักเหลือเกินพอจะออกจากออกจา ก, นกาเนกขม่าพอจะออกจากคําสอนแล้วมันจะไม่ดีใจใช่ไหมแตลกไหมเพราะมันจะได้ไปกินอาหาร <c oughs> เนี่ยวิบัากไหมอย่างเงี้ยเงี้วก็คิดให้เป็น วิธีคิดเนี่ยฝึกคิดไปใหม่ๆมันยังคิดแล้วมันยังทําไม่ได้หรอกคิดอย่างเดียวก่อนยอมรับคิดไปเรื่อยๆเถอพอข้อมูลมันดีเดี๋ยวเข้าใจเองกล้าคิดก่อนกล้าคิดว่าเนี่ยแย่และความคิดแบบนีแ้แย่แล้วก็ไข้ครวรมันถูกทําไมยังต้องกินมันมีความจําเป็นในการที่จะทําให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อประพฤติทำบัตรทำก็ไข้ครวรไปเรื่อยๆเนะ่ยแล้วเขาก็จะค่อยๆละไปได้อันนี้เล่นไม่กล้าคิดแต่ที่แรกมันยุ่งแล้วแล้วจะไปเห็นโทษของโสมนดดันนั้ได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมใช่ ประการต่อมาคือสมณะที่ที่ควรอย่างนี้มีควรเสพนะพราะเสพแล้วเนี่ยราค่าโทสะที่ยังไม่เกิดก็เพิ่มขึ้นบาปกุศลธรรมมันรามกก็เพิ่มขึ้นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกระปามิจฉาวาจามิจฉากามันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉ า, าสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นความหนาแน่ น, นของบาปกุศลธรรมมันราหมกเกิดขึ้น ม, มาก็เพราะนี่แหละไอ้สมณะที่อาศัยเรือนนี่แหละอาศัยการมาคุณอาศัยรูปเสียงกินรสสัมผัสอาศัยปัญหาที่จริงตรงนี้ก็เรียก สมณัตอาศัยกิเลสกรรมและอาศัยวัตถุกรรมนี่ถึงจะชัดคือสมณัตที่เกิดกับเกิดกับตัณหามันก็เลยไปยินดีในวัตถุกรรมคือรูปเสียงกิรสัมผัรเนี่ไอ้สมณัตเนี่ยไม่ควรเสบ็บไม่ควรเส็บก็คือไม่ควรให้เกิดบ่อยๆคนละควรตัดประการต่อมาว่าสมณัตที่อาศัยเนคขมะ พึงเสพสมานัตเห็นปานนี้คือเสพสมานัตเที่ใสายเนกขม้เห็นปานนี้ข้อบอกว่าสมานัตที่ใสาเนกขม้ได้แก่อะไรผู้ที่เกิดสมานัตว่าเราได้ควนขวายเจริญวิปัสนาอย่างเราก็บอกว่าฟังพระธรรมแล้วสมานัตเนี่ยเป็นไหมฟังแล้วเกิดปราโมดปีติเกิดสมานัตไม่ง่วงเลยอ่ะจิตใจโอ้โหผ่องใสเหมือนจุดเทียนในใจห้าเล็มเมื่อก่อน จะมันจุดสว่างแล้วก็จุดไปเรื่อยๆใช่ไหมก็สว่างขึ้นเนี่ยนี่ยก็เรียกสามานาตอาศัยเนกัมมะอาศัยคําสอนเอาทำได้ไหะหรือมันดับหมดแล้วฮะ <c oughs> นั่นแหละทําใจให้สว่างดนะ้วยองอะไรนี่เนะี่ยไม่ใช่โอ้ยนั่งงอยงอยเงาเง า, งาทำใจให้ร่าเรนะิงอ่ะเนี่ยถ้าเป็นไปในลักษณะนี้ก็เรียกสามานาที่อาศัยเนกัมมะทีนี้ ถ้ายิ่งหนักไปกว่า น, นั้นนะเมื่อฟังพระธรรมคำสอนไปเสร็จแล้วก็วิจัยพระพราท่านบอกไปวิจัยใช่ไหมก็เอาเวทนานม า, าวิจัยเลยม า, าวิจัยโอเวทนาไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่สายเนคมนเัมมะเนระที่สายกามคุณเนี่ยนะทั้งสองส่วนเนี่ยรวบแต่เออลักษณะลักษณ ะ, ษณะปัจจุบันพัทธาพทาฐานของเวทนาไอตัวเวทนานเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่มันสวยสเสวยรถของอารมณ์เนี่ยนะเออทากิจในการสเสวยรถของอารมณ์ก็พลอยให้ นำมาทําอื่นๆที่เกิดร่วมกันกับเขาเนี่ยพลอยเป็นไปกับเวทนาไปด้วยเออพราะเวทนาเป็นสมมนัตนะจิตเหล่านั้นก็พลอยเป็นสมมนัตไปด้วยสัญญาก็พลอยเป็นสมมนัตไปด้วยสังขารก็พลอยเป็นสมมนัตไปด้วยคุณธรรมทั้งหลายพลอยเป็นสมมนัตแม้รูปประกายทั้งหลายก็พลอยสมมนัตไปด้วยโอ้สมมนัตนี่เป็นแบบนี้เองเนาะพราเขาเข้าใจอย่างนี้ลักษณะรักษณประโยชน์ธรรมพุธฐานของเขเป็นเสร็จนะเข้านะเขาโอ้โสมมนัตเนี่ยสายปัจจัยนี่ไอ้โดเวทนาใช่ไหมโดยเฉพาะอีเวทนานี่เป็นขัน ขันอะไรเนี่ยเป็นเวทนาขนันเออมันเวทนาขนนันมีอวิชชาในอดีตมีตัณหามีกรรมเออเวทนาเป็นวิบากเมื่อเป็นวิบากเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมใช่ไหมสมมติว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในกระแสใจเราที่เป็นไปกันเนี่ยเออนี่เป็นผลของกุศลกรรมนี่อามีตัณหาออกตัวแล้วมีทํากรรมมาด้วยเดี๋ยวนี้ยนี่ไงไอตัวโรงงานผลิตเวทนาเราก็ต้องมาอยู่กับเวทนาเหล่านี้ยเออรับวิบาก องกุศลกรรมจากการฟังพระธรรมแล้วได้สมนัติพระคิดถูกมีโยนิสมนัิการเอ้ยกรรมไม่เที่ยงวุตัณหาในดีไม่เที่ยงอวิชาก็ไม่เที่ยงภาษาที่เป็นปัจจัยเกิดเวทนาเกิดในขณะนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรการกระทบกันระหว่างหูเสียงโสตวิญญาณการประชุมทั้งธรรมสารกานีไม่เที่ยงที่ไหนเสียงกระทบเป็นระยะระยะเดี๋ยวเสียงนี้กระดับไปภาษาใช่ไหมภาษาไม่เที่ยงเพราเวทนาจักเที่ยงแต่ที่ไหนพอเข้าใจอันนี้ จะลักษณะทุกขลักษณะใจก็น้อมเลยยิ่งปีติโสมมานัทใหญ่เลยเอาทำไมเห็นแน่น้จังทุกครังหน้าตาและปีติโสมมานัทใจก็น้อมก็หานิสารณาวิเวกเราจะต้องดับเวทนาให้ถาวรได้เสียทีทําเวทนาให้เย็นได้เสีทีเข้าใจไหมตอนนี้เวทนาไม่เย็นมันอกําเริบอยู่เรื่องเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดในส่วนจริงก็ไปได้เวทนาใหม่ในพบต่อไปอีก อัธยาศัยตั้งนัแล้วเราจะต้องทําให้เวทนาเย็นให้ได้ในอนุปาทาบริทิาพานี่ละน้องเขาไปหานิสันนาวิเวกนี้ถามว่าสมานัทยิ่งเกิดไหมสมานัทก็ยิ่งเกิดเห็นไตร ล, ลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาของเวทนาสมานัทเกิดเป็นนี้บ้างไหมถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าสมานัทอาศัยเนคขังมะเลือเฉยเฉยเฉยเฉยตายแล้วเด็กเวทนานี่ใไหสม ถามว่าคิดปรินิพานแล้วไม่มีความสุขเลยถามถ้าอยู่กับเวทนาเล่าร้อนไหมเล่าร้อนเพราะอยู่ความไม่เที่ยงอะ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วเราบังคับได้ไหมล่ะแล้วจะอยู่กับสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้ยังมานั่งดีใจกันอยู่เลย <laughs> เห็นความจริงมากๆใจจะได้น้อมนิสระวิเวจะได้น้อมปรินิพานอย่างนี้ก็เรียกเห็น นิสตระหนะวิเวกโดยอัจฉ า, าิยะโดยอัธยาศัยน้อมไปน้อมไปเพื่อจะบรินิพานน้อมไปเพื่อจะดับเวทนาอย่างถาวรนี่ได้เสียทีต่อไปจะได้ไม่ได้ไมมานั่งปวดใจอยู่กับเวทนาเหล่านี้การอยู่กับเวทนาเป็นทุกข์ใช่ไหมจ๊ะการอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนถาว่าถ้าเราไปคบกับคนไม่แน่นอนจยถามว่ามีความสุขไหมเดี๋ยวบอกว่าไปบดบอกไม่ไปเดี๋ยวบอกว่าชอบเดี๋ยวบอกว่าชังอะไรเงี้ยเอาให้คนแบบเนี้ย แล้วเราทำไมอยู่กับเวทนาได้อย่างสบายใจเฉ็บฉ็บไม่น่าอยู่กับมันเวทนาเนี่ยน่าอยู่ที่ไหนล่ะเวทนาแน่นอนไหมแล้วเราอยู่คนไม่แน่นอนแล้วทําไมชอบมันคนไม่แน่นอนมันคนกระล่อนเวทนาเนี่ยเวทนาคนปินป้อนเดี๋ยวก็ให้สุขเดี๋ยวก็ให้ทุกข์เดี๋ยวก็ให้เวขาเดี๋ยวก็เวทนาทางตาทางหูทางทงหมู่ทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวก็เวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาอย่าบละเอียดเลียวประณิด ไกลและไกลแล้วอยู่กับมันมายกมัไม่เหมือนมันมันไม่แน่นอนเลยมันปิ้งป้อนแล้วคนแบบนี้นะาคบไหแล้วทำไมไปทนอยู่กับมันทำไมอย่าไปคบมันตอนนี้เริ่มรู้แล้วใช่ไหมแล้วอยู่กับเวทนาอยู่กับสิ่งที่จอมปลอมมันไม่มันไม่ได้มันไม่จริงจังจริงใจอะไรกับเราเลยเวลามันให้สุขเวทนาแล้วไปไหนให้สุขเวทนานั้นอย่างกระตอมน้ำ ใชไหมอย่างกรตอมน้ําอำความฝันดีๆเนี่ยยศไม่มีอยู่จริงหรอกฉะนั้นเวทนาเหล่าเนี้ยไม่แน่มันไม่เที่ยงอะไรเลยมันเป็นทุกข์ด้วยแล้วเป็นอนัตตาด้วยแล้วเราก็ให้มันหลอกเราอยู่เนี่ยชอบนะักที่เขหลอกเวทนามันหลอกอตลอดเวลาเลยนะเวลามีคนมามาชมหน่อยยมสมานอุ้ยชื่อนใจทำมจะตายเลยที่ก็ชมนิดเดียวก็นทําอญ่เขาบอกโห้ยคุณเก่งยังวะมันโอ้ยทำใหญ่แล้ว ไ่เวทนาไม่หลอกเราแต่เนี้ยหาคิดได้แล้วเนาะต้องคิดว่ามันหลอกเรามันหลอกเราของไม่จริงไม่จังเลยว่าพี่ไม่ไปจงปักอยู่กโสมันน่ะเวทนานัเนี่ย ไ, ไม่มีสาราะเลยเลยเวทนาเนี่ยสาระสาระของความงามก็ไม่มีสาระความเที่ยงก็ไม่มีสาระความสุขก็มีสาระด้วยความเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีแล้วมันมีอะไรเนี่ยจอมปอมมากมายาอะมายาบวกมายาเขาเรียกมาหามายาใช่ไ <c> ห <oughs> <c oughs> ม เป็นเรื่องมายายแท้แท้แปลมากคนนี่ชอบเวทนาการเลยเลยนีโสมนั้นนะไม่ใช่โสมนั้ชอบสมนัสเวทนาจริงๆต้องดับโดยส่วนเดียวแล้วต้องดับโดยไม่มีส่วนเหลือต้องให้เวทนานั้นไม่กำเริบด้วยถ้าเวทนาในกำเริบในภพไหนเดือดร้อนภพนั้นฉะนั้นเราดับเวทนาไม่ได้ถอนเวทนาไม่ได้ละเวทนาไม่ได้อย่า ง, างเด็ดขาดในี่นสุดเสียหายเลยเขาให้รอบรู้เวทนาให้กำหนดรู้เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ ไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรติด เ, เราไปติดเวทนากันเสแล้วโยกใช่ไหมถามว่าระหว่างเวทนาทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาทางไหนที่ดูแล้วมีอิทธิพลต่อามากที่สุดเพราะดูโลูกแล้วชื่นใจไหมฟังเสียงโลกร้องชื่นใจไหมกลิ่นของโลูกชื่นใจไหมสัมผัสของลูกชื่นใจไหมคิดถึงโลกแล้วเป็นไงเห็นไหมเวทนาเหล่านี้ไม่มีซีลังอย่างอยู่ไม่มีอยู่จริงเลยดับไปหมดแล้ว แล้วเราก็มาปั้นเวทนาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ฝันลมๆเรื่องแล้วเพืจะได้เวทนาในอนาคตต่อไปก็วิ่งหาเวทนาในอนาคตใช่ไหมจ๊ะเออเราแปลกดีนะเราเราสร้างเวทนาในอนาคตเราจะวิ่งหามันในอนาคตโดยเอาอดีตเวทนาที่มีความสุขมาเป็นเป็นความเพ้อฝันได้เวทนาในปัจจุบันที่เป็นสมัยนัก็ติดอยู่ก่อนถ้าเวทนาในปัจจุบันที่เป็นสมัยนั้นไม่ได้ก็ฝันเอาเวทนาในอนาคตเลยหวังเลยหวังเวทนาในอนาคตเลย แล้วก็วิ่งหาเพื่อจะจับเวทนาไม่ถูกก็วิ่งจับเขาโอ้ปลาดแท้ใช่ไหมเราถูกหลอกทั้งสามการเลยทั้งเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตแม้เวทนาที่เป็นปัจจุบันถูกหลอกหมดเลยเข้าใจยังถูกหลอกวิ่งหาเวทนาวิ่งจับเวทนาทั้งๆ ท, ที่เวทนาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วมาก วูไม่มีอยู่จริงนะเวทนาเกิดจากปัจจยัยด้วยไม่รู้ปัจจัยของเวทนาเขาอีกแล้วปัจจัยของเวทนาก็ไม่เที่ยงปัจจัยเวทนาก็เป็นทุกข์ปัจจัยของเวทนาก็เป็นอนัตตาตัวเวทนาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเราูทําไมไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่มันจอบอมอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงก็คือว่าปิ้นป้อนที่สุดคือเวทนาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ชอบด้วยถ้ามีคนพูดให้เกิดโสมนัสเวทนาเข้าใกล้ ถ้าใครพูดที่เกิดโทมนละเวทนาอยู่ห่างนี่ยนะพระธรรมของพระเจ้าถ้าบอกความจริงของเวทนาเราไม่อยากเจอพระเจ้าเลยพระเจ้าบอกความจริงเวทนาเป็นอย่างนี้นะสมุดฐานของเวทนาเป็นอย่างนี้ปัจจัยเวทนาเป็นอย่างนี้ตัวเวทนาเป็นอย่างนี้พอบอกครบไม่เอาแล้วกลัวความจริงเออกลัวความจริงไม่กล้าไม่กล้าไปเชิญกับความจริงเพราะเราอยู่กับสิ่งที่หลอกหลอกมาอย่างยาวนานใช่ไหมพอมาเจอคําสอนของพระเจ้าพังงานอย่างนี้เลยไม่ว่าไม่เอาแล้ว เออพุทธเจ้ามาบอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบอกในสิ่งที่ตันหารับไม่ได้ที่ถีรับไม่ได้มาหน้ารับไม่ได้บอกเรายังไม่พร้อมที่จะรับความจริงก่อนแที่จริงเวทนานี่หลอกลวงจริงๆริงใช่ไมหลอกแล้วก็สัญญาก็หลอกเอาที่สัญญาก็ไปจํานี่หลานเราลูกเราพ่อเราแม่เราเพื่อนเราบ้านเรารถเราสัญญาไปจําแบบเนี้อยู่ทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีอยู่จริงเลยสัญญาก็หลอกอีกเอาที่ ตัวสังขารก็โคุงแต่งอีกรอกอีกตัววิญ ญ, ญาณกันมานักมหาหมายตัววิญ ญ, ญาณเนี่ยเป็นมหามายาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักมายาเปลี่ยนไอ้เขาเรียกว่าเป็นเป็นนักมายากลเนะ่ยเป็นนักมายากลที่เปลี่ยนหน้าเร็วที่สุดหนึ่งวินาทีนี่ก็เปลี่ยนหน้าได้เป็นร้อยหน้าเราไม่ทันเขาแล้วเคยเห็นไหมที่เขามาสลับหน้าเปลี่ยนนี่ยเคยเห็นไหมปุ๊ปปุ เนี่ยเป็นเงี้ยอ้าเบ็กกันก่อนสักสิบนาทีสิบห้านาทีรู้สึกว่าสมรัสเวทนาที่อาศัยเรือ น, นเรเรียกร้องเลยเนี่ย